เรียกว่ามีบุญที่จะได้มาเป็นคู่สนทนาหรือว่าสากักกษาสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ซึ่งเป็นผู้อานวยการหลักสูตร าการปฏิบัติธรรมหลีกเร้นตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนไฮโศกตมบุดอนไหโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิที่ปภากรซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศกค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์เพียบุญอภิพุโนโอพร้อมกันนะคะกราบนมัสการเจ้าขา้าพระอาจารย์เจ้าขา้าเรียนพร้อม สาธุเจ้าค่ะสำหรับพบกันในเช้าวันเสาร์ที่เรียกว่าล่วงเลยกลางเดือนของเดือนมกราคมมาแล้วนะเจ้าคะวันนี้ยมก็อยากจะขออนุ ญ, ญาตที่จะนําอาจดหมายหรือว่าท่านผู้ฟังที่ได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะเจ้าคะม า, ากราบนมัสการแล้วก็เรียนถามสักท่านสองท่านแล้วแต่เวลาเราจะกําหนดได้แค่ไหนเพียงไรเรื่องแรกหรือว่าท่านแรกที่จะถามวันนี้นะเจ้าค่ะเป็นคือก็คือคุณกัลยา ถามมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าค่ะคุณกรยาก็กราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็กราบสวัสดีปีใหม่คุณกราด2555มาอย่างทีมงานด้วยนะเจ้าคะแล้วก็บอกว่ารับฟังรายการธรรมราบุรุนของเราทางคลื่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประจําทีเดียวแล้วก็สื่อสารกลับมาเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนให้รายการเรานี่ได้ดําเนินรายการไปเรียกว่ามีคุณประโยชน์ต่อการ ดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการยกระดับจิตใจแล้วก็มีหลักธรรมคำจุนให้เกิดปัญญา ต่อผู้สื่อารเสีิงเกชนที่มีบุญมีโอกาสที่จะได้รับฟังกันต่อๆไปนะเจ้าคะ่ะอันนี้ก็ขออนุโมันานะคะ น, นี่ก็คื อ, อจุดมุม่งหมายหลักของการจัดรายการธรรมารับอรุณ <c oughs> เป็นรายการแรกของการเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นสถานีวิทยุแห่งชาตินะคะทีนี้ก็มาถึงคําถามที่คุณกระรยาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่บอกว่าขอประทานเมตตาจากพระอาจารย์ชี้แนะในเรื่องของการ รักษาจิตเจ้าค่ะ mm hmm. ทีนี้ไม่ใช่รักษาจิตธรรมดานะเจ้าค่ะแต่ว่ารักษาจิตเมื่อเราไปประสบกับความรู้สึกขัดแย้งต่อแนวทางของพระพิสุบงเล็บบ์บบางรูปนะเจ้าค่ะที่มีความเชื่อในวัตถุบางอย่างอย่างเช่นทรายเครื่องมือหาปลาเป็นทองสีทองอันใหญ่ๆนะเจ้าค่ะหรือว่าข้อง ซึ่งก็คือภาชนะสําหรับใส่ปลาทาสีเงินอันใหญ่ๆเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเรียกว่าสร้างมาแล้วก็มาแขวนไว้บนสาลาการประเรียนของวัดนะเจ้าค่ะ hmm. ซึ่งพุทธศาสนิกชนพอมาวัดเนี่ยแล้วก็มองเห็นว่าก็คงเข้าใจวัตถุประสงค์ของท่านนะเจ้าคะเพราะว่าเรื่องธํานองนี้ก็คงจะอย่างถ้ามาอยู่ตามบ้านพี่น้องพุทธศาสนิกชนซึ่ง เป็นคารวะทั่วไปเราก็คงจะทราบว่าอยากจะเรียกเงินเรียกทองเข้ามาบ้านนะเจ้าค่ะทำให้การค้าเจริญแต่ทีนี้เมื่อไปอยู่ที่วัดหรือว่าสารากา ร, ปรเปลี่ยนของวัดเนี่ยเจ้าค่ะทางคุณกะรยาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นแล้วก็เลย อ, อยากจะขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลนะเจ้าค่ะว่าเพื่อที่จะขอคําชี้แนะที่ถูกต้องอเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นโยมขออนุญาตที่จะพูด เเรียนถามพระอาจารย์ไพบุญถึงเรื่องของการรักษ า, าจิตก่อนเจ้าค่ะเป็นลําลดับแรกก่อนที่จะไปถึงเรื่องของพุทธภาณิชย์อันนี้เจ้าค่ะโอเคก่อนที่จะไปถึงเรื่องการรักษาจิตที่เมื่อสกักครู่คุณกะระยายจากเพชร บ, บูรณ์นะพูดถึงว่าเขียนมาให้กําลังใจอันนี้ก็ต้องอขอเรียกว่านุโมทนากับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยที่มีความเห็นเหมือนกับคุณกะรยาว่าถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังและได้รับประโยชน์เนี่ยการสื่อสารกลับมาในทางรายการก็จะทําให้ท่าน ทังเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าไมลหลังหมล์ได้รับทราบนนี่ก็จะเป็นตัววัดความสําเร็จของรายการอีกประการหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่สําหรับโดยส่วนตัวอาตมาเอง ใ, ในการวัดความสําเร็จของรายการเนี่ยมันอยู่ที่วโรนอมเสนอข้อมูลที่ถูกต้องกาําไรใชของอาตมาเนี่ยมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างติ้งต่างนะว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเราไม่มีรายการที่ต้องเลื่อนออกไปยังไงคกำ่รใช้เราก็ยังมีอยู่ในการที่จะา จ, จะปฏิบัติต่ตอไป <Okay. S 2> คือแปลว่าบางคนเนี่ยกำลังใจของเขาเนี่ยไหลไปตามสิ่งที่มากระทบใช่ไหมสมมติคนไม่เขียนจดห ม, มายมาคนมาด่ามาว่าโอ้ยจิตกำลังใจตกต้องรองให้คนมาชมคนมายกยอก่ยองสรรเสริญท่านถึงจะมีกําลังใจ <Okay. S 2> แม้แตว่าคุณยังเป็นธาตของสิ่งที่มากระทบอยู่ถูก <Okay. S 2> ไหมแต่ในคําสอนพระเจ้าเนี่ยคือเราให้มีกําลังใจจากตัวเราเองจากภายในโดยไม่ต้องพึ่งสิ่ออื่นก็ได้ถามว่าคุณมารู้ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยจิตคุณมีสมาธิอย่างเงี้ยเวลามาอะไรมากระทบจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเนี่ย เรานิ่งเฉย อ, อยู่ได้ <Okay. S 2> อันนี้คือกําลังใจจริงๆมาจากใจ <Okay. S 2> กําลัง <Okay. S 2> ที่มาจากใจอนะแม่นคืออันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ต้องการจดหมายจากท่านผู้ฟังน ะ, <laughs> ะต้องการฟัง <laughs> อยู่ <laughs> ว่าท่านผู้ฟังต้องการฟังอะไร <laughs> ในขณะเดียวกันสิ่งที่ยืนหยัดให้เราทําตรงนี้ได้ก็คือคําสอง่งพระเจ้านะสิ่งที่ทําให้เราถูกต้องได้เดินอยู่ในมรรคได้ท า, ทางผู้บริหารของออกรมก็เห็นความสําคัญตรงนี้เราก็เลยนํามานำเสนอให้ฟังในขณะเดียวกันเราก็ต้องการรับข้อมูลของท่านผู้ฟังเหมือนกันว่า ให้ฟังต้องการฟังอะไรมีความเห็นข้อสงสัยหรือข้อข้องใจใดๆก็เขียนมาได้อัน <Okay. S 1> นี้คือเรื่องของกำลังใจ <Okay. S 1> ที่คุนกัลยาได้พูดถึงเรื่องของการรักษาจิต <Okay. S 1> คํานี้เป็นคําที่ถูกต้องมากเลยคือการรักษาจิต mm hmm. ก่อนพระเจ้าปรินิพานอตอนนั้นพระเจ้าโปร่งสังขาแล้ว <Okay. S 1> สามเดือนก่อนการปรินิพานได้พูดถึงว่าให้พวกเธอทั้งหลายเนี่ยมีมีศีล ม, มีสติตามรักษาจิตของตอนเถิด <Okay. S 1> จะมีศีลมีสติตามรักษาจิตของตอนเถิด เคยยกตัวอย่างเหมือนกับนักโทษคนหนึ่งเขาบังคับให้บุรุษคนหนึ่งนะ <Okay. S 2> ถือหม้อใบหนึ่งหม้อประมาณสักสินิ้วบาดผ้าละกัน <Okay. S 2> ถือบาดผ้ามาใบหนึ่งแล้วก็ในนั้นเต็มใส่ด้วยใส่น้ํามันเต็มขอบปากบาดเต็มขอบปากบาดแล้วก็เดินมาเดินมาผ่านเมืองใหญ่คือในขณะที่เดินมาเนี่ยถูกคุมถูกคุมตัวมาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีเพชฌฆาตถือดาบอยู่ <Okay. S 2> งาบเนื้อดาบไปละ เพชฌฆาตคนนี้จะคอยจ้องอยู่ตลอดว่าถ้าบรุษคนนี้เนี่ยนะถือบาทที่มีน้ำมันเต็มอยู่เนี่ยทำน้ำมันหยดแม้แต่หยดเดียว่วจะเอาดาบเนี่ยบังคอตายทันทีเจ้าค่ะเขาก็คุมตัวนัก่อษคนนี้ที่ถือบาทเต็มได้วยน้ำมันอยู่มีเพชฌฆาตเดินอยู่ข้างหลังเนี้คุมตัวผ่านเดินไปในใจกลางของเมืองผ่านไป ใ, นใจกลางของเมืองเนี่ยเพื่อนมนันม้นมันมีการะเล่นคุณเดินใจเจ้าค่ะเขามีการละเล่นโชว์อยู่บนเวทีถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันเหมือนเขาเต้น สมัยก่อนยังไม่มีสมัยก่อนยังไม่มีก็เป็นการเล่นเของนางฟอนรมที่งดงามมากแต่งตัวอย่างเลิศหรูอลังการนะถ้าจะพูดก็คือมีหางเครื่องเป็นแบบเต็นตึ๊กๆึ๊ก๊กตกันอย่างนี้ะลยนะเพื่อดึงดูดความสนใจนะเจ้าคะพระเจ้าก็ถามพี่สุทหลายบอกว่าอะในกรณีเนี้ยบุรุษคนเนี้ที่ถือบาทที่เต็มไปด้วยม่านน้ำมันตัวเองรู้อยู่ว่าข้างหลังมีเพชฌฆาตจำบันคอเราทุกเมื่อเขาจะทํำยังไงเขาจะ รักษาบาทใบนี้หรือเขาจะไปดูกันอลไรได้ยังไงพิสูจน์ทั้งหลายก็บอกโอ้ยก็ต้องรักษาบาทดสิไม่งั้นตายน ะ, ค, ะคือถ้าเราลอดไปแล้วเนี่ยยังกลับมาดูได้ไม่ถึง <c oughs> แต่ถ้าตายไปแล้วนี่คือจบเลย <c oughs> เหมือนกนารพระเจ้าให้รักษาจิตอย่างนี้รักษาจิตอย่างนี้จิตที่ไม่มีเชิงรองเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับหม้อที่ไม่มีเชิงรางหม้ออินเดียสมัยก่อนมันไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นเหลี่ยมๆถ้าใครเคยไปอินเดียจะทราบมอตุลมันจะกลมๆโดนผักไปนิดเดียวมันก็กลิ้งไปแล้วแล้วเขาก็จึงคิดค้นภาชนะอันหนึ่งก็คือสวียงรองหมอสวียงเนี่ยเป็นเหมือนกับถาดที่เป็นมีสามขาหรือสี่ขาก็ตามใช่ไหมแล้วก็เป็นเหล็กกลมๆแล้วก็เอาม้อวางบนลงไปนะมอจะได้แข็งแรงใช่ตั้งอยู่ได้เช่นเดียวกันสวียงรองจิตก็มีอจิตที่ไม่มีสวียงรองเนี่ยจะหมุนไปได้ง่ายจะกลิ้งหมุนไปได้ง่าย ในกรณี้เสียงลองจิตคืออะไรพระเจ้าพูดถึงเรียนมั่งมีองแปดเส้นทางดําเนินชีวิตของเราเนี่ยต้องอยู่ในทางของทางแปดสายคคเราจะไปเชียงใหม่จะไปภาคเหนืออย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปทางทางหลวงใหม่เลขหนึ่งอ ะ, คคะแล้วคุณไปเลขสี่นี่ก็ไปตกไหนละคค่ะระยองหรือว่าภาคใต้นั่นไม่เจอคนล<จ>ะทางเพระาะฉะนั้นถ้าจิตของเราไม่มีไม่ได้อยู่ตา ม, มระยะมั่งมีองแปดจะไหลกลิ้งไปได้ง่ายในกรณีเนี้เราต้องรักษาจิตของเรามากๆเลย ที่พูดถึงว่ารักษาจิตเนี่ยนะผู้เชี่พูดถึงสติอยู่เสมอเปรียบเทียบกับนายทวารเวลาเราเข้ามาในสถานที่ราชการหรือว่าไปตามโรงงานหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีป้อมยามถูกไหมป้อมยามเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรยามนอยหรืองตำรวจอย่างเงี้ยนะเขาจะเล็งสติ๊กเกอร์หรือตรวจบัตรบางบริษัทนี่เป็นบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกนี่ไม่ต้องมียามมาคอยตรวจ แต่ว่ายามจะไปนั่งอยู่ในห้องคอยดูว่าใครเข้าใครออกจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกสติดอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกันเราต้องมีจิตมีสติเป็นตัวรักษาความปลอดภัยให้จิตของเราจิตของเราเนี่ยมันใสสะอาดปิ๊งอยู่ดั้งเดิมนะเหมือนของสาะอาดอยู่เนี่ยถ้ามีอะไรเข้ามาแล้วมันสกปรกเปื้อนเนี่ยมันมันจะไม่ดีจิตเราจะไปที่ที่ไม่ดีได้แล้วพระเจ้าจึงให้มีสติเนี่อรักษาจิตเอาไว้ สติเนี่ยจะต้องมาตรวจสอบว่าไ อ, อนน้คนนี้ดีให้เข้าคนนี้ไม่ดีให้ออกคุณไม่มีบัตรใช่ไหมคุณไปลงชื่อตรงโน้น ค, คุณมาทำลายหาใครเ็าจะตรวจสอบให้กรอกแบบฟอร์มต่างๆ น, นะยึดแบบประชาชนไว้ด้วยในขณะที่คนนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วเข้าไปได้เหมือนกันจิตของเราต้องมีสติคอยควบคุมสตินี่คืออะไระสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้นึกออกว่าไงเถอะนึกถึง ผู้ที่ชอบใ้คำ่าระลึกถึงสิ่งที่กระทําจําคําที่พูดแล้วแม้หนักได้ Andre, <okay. S 2> อือย่างนึกว่าตอนนี้ฉันต้องทําความดีนะฉันต้องอยู่ในมาร์กนะเราต้องนึกอยู่นี้เรื่อยๆ <Okay. S 2> ในที่นี้ผู้เช่าก็เคยให้ฐานที่ตั้งของสติไว้อยู่สอย่างนะ <Okay. S 2> คุณจะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้จิตมีสติก็ได้ <Okay. S 2> หรือใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้จิตเรามีสติก็ได้ที่เราจะพูดในรายการอยู่บ่อยๆก็พูดถึงเรื่องเราหมายใจ ใช่ไหมเราใช้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้จิตเรามีสติ <S 2> <S 2> ให้จิตเรามาอยู่ที่นี่นะไม่ให้จิตมันถูกไหลไปตามสิ่งที่มากระทบ <S <S แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจิตแบบนี้เรียกว่าจิตที่มีสติจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสิ่งชั่วร้ายอะไรต่างเนี่ยมากระทบแล้วเราจะไม่ไหลไปตามจุกค่ะพอเราไม่ไหลไปตามแล้วเราเป็นไงเราก็ปลอดภัยไม่ออกนอกทางไม่ออกนอกทางการเดินทางของเราก็ราบรื่นจุกค่ะราบรื่นถ้าใครเคยดูรถแข่งไหม รถแข่งเนี่ยเขาวิ่งตามทางเนี่ยมันจะเป็นก็เรียกว่าไปได้เร็วกว่ารถที่วิ่งออกนอกแทร็กนอกทางอะคือมันจะมีเลนของตัวเองใช่ไปต้องแล่นเลนนาถ้าออกนอกทางปุ๊บมันก็จะไปโดนสนามหญ้าโดนสิ่งกีดขวางก็ยิ่งช้าหลงรถพังอีกเจ้าค่ะมันจะสวยมากนะถ้าในกรณีนี้เราต้องบังคับจิตของเราให้อยู่ในอยู่ในทางในที่นี้คือมัคแต่จิตบางคนนี่มันมันแปลกคนตนใจมันเขาเรียกว่าเป็นจิตที่ป่ามาก ป่าแบบเอ่อเขาแหมนจะใช้คําว่าไงที่จะเหมาะสมที่พูดแล้วมันสุภาพออกรายการทีวได้เป็นจิตที่มีความเหมือนกับเอ่อมีความเถื่อนเองขอถือนสถืานไุ้็ค่ะมนุษย์ยังมีอยู่นะบางคนความเถื่อนอย่างเงี้ยแบบพวกที่อยู่ป่าไม่ดูเรื่องอะไรค่าสัตว์รักทรัพย์พวกนี้นะเอ่อเราไม่ได้ทุกพูดถึงคนระดับนั้นเราพูดถึงชาวบ้านเราธรรมดาระดับนั้นนี่เขาจะต้องสอนอีกแบบหนึ่ง อย่างสัตว์ป่าที่นํามาแล้วเนี่ยถ้ามันดุร้ายมากๆเนี่ยต้องเคียนมันตีมันไม่ให้มันกินให้มันอดอย่างเงี้ยทำร้ายคือขู่ให้เขากลัวและขณะเดียวกันถ้าจิตเราแบบจิตเราแบบเป็นคนธรรมดาอยู่บ้านทำมาหากินดีแล้วใช่ไหมก็ต้องฝึกอีกแบบหนึ่งพระเจ้าเคยพูดถึงการฝึกม้าเนี่ยถ้าเป็นม้าที่มันเป็นพันดีมันฝึกได้ง่ายก็บอกมันเฉยๆบอกมันทําก็ให้รางวัลบอกมันไม่ทําเราอย่าเพิ่งตีเราดูก่อน มันพอจะทำเองได้ไหมเราไม่ทําไม่ได้เราบอกอยทีหนึ่งบอกครั้งที่สองั้ที่สยังไม่ได้ค่อยตีมันนี่ครับดังนั้นเหมือนกันถ้าอย่างคนคนป่าคนเถื่อนพวกนักโทษอย่างเงี้ยเขาต้องฝึกอีกแบบหนึ่งพระเจ้าจึง ม, มีวิธีการฝึกอยู่สามแบบคคนะแบบหนึ่งคือแบบเบาๆนะคือบอกข้อดีให้เธอทําแบบที่สองคือแบบรุนแรงรุนแรงคือบอกข้อเสียนะเธอทำแล้วเธอจะได้ผลอย่างนี้ชคคเช่นพูดถึงเรื่องนรก พูดถึงว่าเรื่องกําหนิดเตรัชาอันเปรตวิสัยมันน่ากลัวยังไงนะแล้วแบบที่สามคือใช้สองอย่างรวมกันเบาบ้างแรงบ้างแล้วถ้าฆ่าถ้าฝึกไม่ได้เลยสองสามวิธีนี้ก็ช่างหัวมันไม่ต้องฝึกฆ่าซะก็คือปล่อยไปตามกรรมแล้วจ้ะค่ะที่พระเจ้าแสดงธรรมนี่นะคุณเตือนใจพระเจ้าเข้าใจว่าธรรมะที่แสดงคือจะมีคนอยู่สามประเภทคนแรกเนี่ยนะประเภทแรกเนี่ย ถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินถึงแม้จะไม่เห็นไม่ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นคนดีโดยปกติมีคนอยู่ในประเภทนี้น ะ, ค, ะคนที่เขาดีๆอยู่แล้วเนี่ยคือเคยอาจจะเคยเห็นคนที่ยังไงเขาก็ทำดีมีสิ่งชั่วมาร่วงวงเขาก็ยังทำดีได้ใ ช, ใชห่หรือในคนประเภทที่สองเนี่ยต่อให้ได้เห็นต่อให้ได้ยินคาสอนของพระพุทธเจ้านะมันก็ยังชั่วอยู่นั่นแหละคือคนที่ชั่วโดยสันดาน เกิด <c oughs> มาจากท้องแม่มันชุกอะเลย <c oughs> <c oughs> เคยมีนะมันทําให้แม่ลําบากตั้งแต่อยู่ในท้อง <c oughs> <P os ite> พอมาแล้วมันยังล้างผ่านสมบัติอื <c oughs> ้ไม่ได้เรื่องเลยพวกนี้ต่อให้ฟังคําสอนหรือได้ยินคําสอนพระเจ้ามันก็ชั่วยอยู่ดี <c oughs> หรือพวกที่สามเนี่ยคือพวกที่ต่อต่อเมื่อได้ยินหรือได้เห็นพระเจ้าเท่านั้นถึงจะ ด, ดีขึ้นมาได้ <c oughs> พระเจ้าบอกว่าเพราะอนุเคราะห์คนประเภทที่สามเนี่ยทําให้ประเภทที่หนึ่งและประเภทที่2เนี่ยได้ยินธรรมาด้วยเพราะฉะนั้นฝั่งที่ฟังรายการอยู่เนี่ย มาเขไม่รู้ว่าประเภทไหนนะแต่น่าจะเป็นประเภทไม่ที่หนึ่งก็ที่สามนะนเพราะไม่งั้นคนที่ประเภทที่สองคือที่มันช่วมาแต่เกิดเนี่ยคงไม่มาฟังธรรมะนะใช่จ้าค่ะคงไม่ตื่มาแต่ตีห้าใช่เพราะฉะนั้นเรามาฟังธรรมะแล้วเนี่ยบางทีบางบางคนอาจจะมีความยากในการปฏิบัติบ้าง <Okay. S 1> อาจจะอยู่ในประเภทที่สมใช่ไหม <Okay. S 1> เราค่อยฝึกเอาบางคนอาจจะรู้สึกว่าธรรมะอันนี้มันง่ายฉันทําได้บางคณอาจจะอยู่ในประเภทที่หนึ่งแตที่ได้ยินหรือไม่ได้ยินฉันก็เป็นคนดีอยู่ดีจ้าค่ะพระเจ้าเคยบอกว่าคน ความดีอ่ะคนดีทําง่ายความชั่วคนชั่วทําง่ายคนชั่วมจิตใจไปน้องไปแต่ทางชั่วใช่ไหมันมีช่องทางชั่วๆวให้มันออกมันชั่วมันทําชั่วเลยได้เต็มที่อ่าเต็มที่เลยไม่ไม่มีให้งงมันยังงงได้อย่างเงี้ยหาช่องไปงงได้แล้นสรุปตรงนี้ว่าเราต้องมีสติรักษาจิตนะเราเราจะรักษาจิตได้ด้วยการใช้สติทีนี้เวลาที่เราเจอสิ่งที่มากระทบอย่างเงี้ย เช่นในกรยีของคุณกัลยาใช่ไหมไปวัดแล้วเห็นความที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันน ะ, ะพระสงฆ์ผมผ้าสีเดียวกันอย่างเงี้ยวัดก็สิ่งก่อสร้างดูคล้ายๆกันเข้าไปค่ะวัดนี้ทําไมเป็นอย่างนี้วัดอีกวัดหนึ่งเป็นอย่างนี้มันมันดูไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะบางคนอาจจะมีความคิดเห็นอย่างนี้ก็ต้องย้อนกลับมาที่คําสองพระเจ้าดังเดิมคําสอ ง, องสมมาสมุทาที่ประกาศไว้ว่าความเป็นสมณะนี่อยู่ที่ศีล นะไม่อยู่ที่สิ่งก่อสร้างหรือว่าสิ่งที่เครื่องแบบ <Okay. S 2> เครื่องแบบก็บอกได้ระดับหนึ่งบางคนหนีออกมาจากคุกแล้วเอาผ้ามอผมเลย ก, ก็มีเหมือนกันนี่คือปลอมบวช <Okay. S 2> ก็อันนี้ก็จะไม่สามารถวัดได้โดยเครื่องแบบใช่ไหม <Okay. S 2> แต่วัดได้ด้วยศีล น, นะพระ ย, ะยังไงก็ต้องมีศีลศีนเนี่ยจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันศีลพระเจ้าป๋อจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันสักระยะหนึ่งจะรู้ว่าผู้นี้มีศีนหรือไม่มีศีนศ <Okay. S 2> ีนนี่เป็ว่าปกตินะ ปกติคนเนี้ยทำตัวยังไงคู่บางคู่กับคนเตือนใจเขาตอนจีบกันเนี่ยผู้ชายผู้หญิงนะดีดีดีมากๆดูแลทุกอย่างน้ำถึงอะไรอาหารถึงไปรับไปส่งนะแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานกันแล้วลายออก ไม่ปกติละเจ้าค่ะแสดงว่าคุณยังไม่ได้เห็นความจริงของเขาพระรชาติจึงบอกว่าเออสีเนี่ยจะรู้ได้ด้วยการทําความรู้จักกันอยู่ร่วมกันแล้ไม่ใช่แป๊บเดียวสิ่งจะรู้ได้ต้องใช้เวลาพาสอสมคว ร, รคไม่อย่าง ก, ารกรณีของคุณกัลยาไปวัดเนี่ยคุณรู้จักเขาวัดนี้นานหรือยังไปกี่ครั้งแล้วเขาทาอะไรคือถ้าจะบอกว่าสิ่งอะไรที่มาติดตๆเนี่ยนะมันก็ไม่แน่นะคือคือเราพูดยากิเขาอาจจะเอาไซมาติดด้วยจุดประสงค์อะไรอะอะไรก็ไม่ทราบ ถ้าเขาเอาจะมาติดเพื่ออย่างกรณีของอเจ้าที่เขาเรียกว่ารังแตนใช่ไหมรั ง, รงแตนเนี่ยที่วัดป่าดอนไหนโศกก็มีเหมือนกันแล้วพอตอนนั้นแตนมันออกไปหมดแล้วเหลือแต่รังมันอย่างเดียวขนาดตมาลูกแตงโมเนี่ยน ะ, ะ, ะต้นมันก็หล่นลงมาจาก ก็เรียกว่าจากต้นไม้ของมันนะค่ะแล้วก็มาดูโอ้โหมันมีความสลับซับซ้อนในกลไกการสร้างรังของมันอย่างมากจุ๊บ่ะทำให้เราดูแล้วก็พบว่าโอ้โหมันน่านักศึกษาจนี่ว่าโอ้หขนาดแมลงขนาดนี้มันยังสร้างได้คือเราก็เห็นธรรมะตรงนี้ได้นะ่ะแต่รังแบบนี้มันอยู่ได้สองสามปีมันก็แตกพังไปของมันเองเพราะมันทําจากดินค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาติดเพื่ออะไรเหมือนกันจุ๊บค่ะในความเชื่อทางภาคอื่นๆก็อาจจะมีความเชื่อไม่เหมือนกัน เราก็ควรจะเชื่อมั่นในพระประชาออย่างี้นะถึงจะถูกต้อง ทีนคำตอบของพระอาจารย์ที่จะให้กับคุณกัลยาเนี่นะเจ้าค่ะที่เท่าที่โยมฟังมาก็คือว่าการที่ไป ว, วัดวัดหนึ่งแล้วเห็นวัตถุที่เขาแขวนไว้อย่างที่โยมเกิืนตอนต้นของรายการนะเจ้าค่ะว่าถ้าเป็นคาราวาสเราก็คิดว่าพวกนี้เป็นการเรียกเงินเรียกทองอเป็นเหมือนการเรื่องของการทําการพาณิชย์นะเจ้าค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณกัลยาเนี่ยติดอยู่ในใจว่ามไม่น่าเลยเพราะว่า อ, อ, อาจจะว่าฟังพระอาจารย์ไปลูกศิษย์พระอาจารย์แล้วก็ ศึกษาธรรมะจากพระพุทธองค์ก็เลยได้เรียนถามมาในวันนี้นะเจ้าค่ะว่าถ้าไปเจอแบบเนี้เจ้าค่ะซึ่งซึ่งมันรู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในพุทธศาสนาจะรักษาจิตยังไงเมื่อไปเจออย่างนี้เจ้าค่ะนี่คือจทยที่คุณกระยาอยากทราบเจ้ค่ะแล้วถ้าเราโกรธเราไม่พอใจเจ้าค่ะแปลคุณผิดเลยแต่ว่าคุณยังไม่เข้าใจที่อาจามาพูดออืเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนคืออย่าโกรธอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่ดีเราควรจะมา เพ่งโทษตัวเองคืออย่าไปเพ่งโทษคนอื่นทำ<จ>่มอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นว่ามัดนี้มันไม่ดีมันอย่างนั้นพุทธภาณิตโอ้ยเราอย่าพูดอย่างนั<จ>้นเลยแล้วเรามาพิจารณาตัวเองดีกว่าว่าที่เราทำไมจิตเรามั น, มนบ้าบ้าปาบๆอะไรนี้ <copyright. S 2> คนอื่นทําดีกับเราเราดีกับเขาตอบคนอื่นทําไม่ดีกับเราเราเห็นคนอื่นไม่ดีเรามาเครียดคลัตจิตสองมาตรฐานเพราะนั้นเราไม่ควรให้เป็นอย่างนี้คนไม่ดีเราก็มีเมตตาคนดีเราก็มีเมตตาใช่ไหมเราควรจะมาคิดว่า เออจะทำยังไงน้อให้บุคคลที่อาจจะเห็นผิดอยู่ให้เห็นถูกให้ได้จุกค่ะอย่างเงี้นะเราอย่าไปเพ่งโทษใครเรามาพิจารณาตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคุณจะคิดอย่างนี้ได้คุณต้องมีสติจิตคุณต้องมีสติกํากับไว้จอกันไว้เลยจุ๊กค่ะพอะจอไว้อย่างงี้เนี่ยจิตเราจะไม่ไหลไปทางต่ําุ๊กค่ะจิตเราจะไม่ไหลไปสู่ที่ที่มันจะเป็นคิดความคิดเป็นอกุศลเราเดินผ่านวัดไปเห็นเครื่องพวกเครื่องรางของกลังปุ๊บจิตเราเฮ้ยสงสัยวันนี้มันกุออ้นผิดเลยทันทีนจิตคุณเป็นอกุศททันีค่ะ เพราะฉะนั้นเราไม่ให้จิตของเราเป็นอย่างนั้นอย่าให้จิตเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรที่สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราไม่เอาดัง<จ>นั้นในวัดบางวัดอาจจะข้อดีก็มีข้อเสียก็มีใช่ไหมเราแต่ข้อดีทาให้จิตเราสูงขึ้นใช้ได้เพราะนั้นคุณจะไม่ให้หม่อของเรากลิ้งไปไม่ให้จิตของเราไหลไปทางต่ำต้องคอยประโยุงเอาไว้ด้วยอะไรมาก์มิองแปดความคิดอย่างนั้นเป็นมิจฉาสังกปะแล้ว เราคิดว่าเขาไม่ดีทำไมเขาทำอย่างนั้นมีความขัดแย้งกันเนี่ยถ้าเราคิดดีว่าเออจะทำไงให้คิดในทางไม่พยาบาทคิดในทางไม่เบียดเบียนนั่นคือทำไงจะให้ช่วยคนให้เห็นถูกต้องได้เออนี่เป็นสัมมาสังกัปปะอยู่ในมัดจิตของเราจะสูงของเราจะสบายได้ก็เรียกว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรถ้าเห็นวัดไหนแล้วเกิดคุณกระยา ขัดอกขัดใจก็คิดว่าน่าจะไม่มองหนึ่งอย่างนะเจ้าคะกับ2ก็คืออย่าไปวัดนั้นก็ไปวัดที่เขาปฏิบัติดีๆเพื่ออะไรเจ้าคะเพื่อที่จะรักษาจิตของตนอยู่เสมอใหรือแม้แต่ไปเห็นในสิ่งที่ไม่ดีพระอาจารย์ไพบุญก็เมตตาที่จะชี้แนะตามคําสอนของพระพุทธองค์ว่าเราต้องรักษาจิตของเราด้วยอริยมรรคมีองค์8นะเจ้าคะแล้วก็ใช้4อย่างอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะคือยึดจิตเราไว้ที่ใดที่หนึ่งอย่างเรื่องลมหายใจเป็นต้น S <S ใช่ <S <S เราก็าจะสามารถที่จะรักษาจิตของเรานั้นเนี่ยให้เป็นสุขอยู่ได้ทุกเมื่อยอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดใช่หใชไหมเจ้าคะถ้าคุณตัวใจพูดถึงประเด็นนี้ก็ดีแล้วคือเวลาที่เราไปอย่างเงี้ยบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องไปใช่ไหมไปตามญาติบ้างไปตามเพื่อนบ้างอย่างเงี้ยทีนี้สิ่งที่เราต้องออกไปด้วยเพื่อที่จะรักษาจิตของเราคือลมหายใจใเพราะในเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมแล้วเราปล่อยสิ่งนั้นมาอยู่กับลมหายใจคือความคิดจิตของเราเนี่ย แต่ที่มันจะไปคิดเรื่องนั้นคิดต่อไปว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆอลไรเจ้าว่าต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องทำเขาต้องมีหมกไม่อย่างนี้มีบัญชีไหน <ว S 1> โอ้โหมันไปเรื่องใหญ่นะค่ะ ว, วางเลยปยยล่อยอยู่กับลมหายใจค่ะเดียมันจะไหลไปอีกวางเลยปล่อยอยู่กับลมหายใจแสดงว่าเรามีจิตของเราเนี่ยกลับมาระลึกถึงนึกถึงจําให้ได้ว่าคุณต้องหายใจอยู่จะค่ะจำแค่นี้เองความคิดนั้นมันจะดับวัดไปเดี๋ยวมันไปอีกไม่เป็นไร เราปล่อยสีนั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจใ <Okay. S 2> น, นเราไปที่ไหนเราจะไม่มีอะไรปัญหาเลยเลยพ <Okay. S 2> ระเจ้าเคยยกตัวอย่างแต่ที่ว่าตรงนี้จะเป็นประเด็นที่สรุปได้พูดถึงนกแขกเต้าตัวหนึ่ง <Okay. S 2> นกแขกเต้าเนี่ยมันจะเป็นนกที่อยู่บินระดับต่ <Okay. S 2> ํำมาหา ก, กินกับพื้นดินปรากฏว่านกแขกเต้าตัวนี้มีวันหนึ่งมันเกิดยังไงไม่รู้มันบินขึ้นไปสูงหน่อยเ <Okay. S 2> พราะมันบินขึ้นไปสูงหน่อยปรากฏว่ามีนก sea, อินทรีกุญแตใจ บินมาจากข้างบนนกอินรีมันบินสูงและตามมันเร็วมากนะมันเหี่ยงมาโชบเจ้านกแกกเต้าพวกอะไรนกแกกเต้าสวยไปเลยะนกแขกเต้าก็เลยเจราจากับนกอินทรีบอกว่าโท่านนกอินทรีผู้เป็นใหญ่อย่ามาทําฉันเลยฉันเป็นนกธรรมดาแต่ถ้าฉันอยู่ในที่ที่ฉันอยู่ตามที่บิดาบอกไว้นะเธอก็ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกไปทานนกอินรีอย่างนี้นกอินทรีก็เลยรู้สึก เธอมันมาท้าเรางี้มันเป็นนกกระจอกมากเลยนะมาทาเรางี้ไหนที่ ท, ที่บิดาเธออยู่เป็นยังไงพา <c oughs> ไปเดี๋ยวฉันจะจัดการเธออีกจนนกแขกเต้าก็เลยงั้นไปพาไปกอินทรีก็เลยปล่อยปรากฏนกแขกเต้าพาไปพื้นดินเป็นที่เขาทํานานะเ <c oughs> ขาเ <c oughs> ขาเขาเรียก ว, ว่าพรวนดินไปแล้วถ่ายถ่ายว่าถ่ายไปแล้วอนกแขกเต้าก็ไปยืนอยู่บอกว่านี่แหละที่อยู่ของบิดาฉันให้เธอมาจับได้เลยนกอินทรีก็บินมาอย่างเร็วเลยบินมาจากที่สูงใช่ไหม พราจงังหวะที่จะโฉมลงเพื่อที่จะจับนกแขกเต้าซึ่งอยู่อยู่พื้นดินเนี่ยนกแขกเต้เาก็ุบหลบเข้าไปในพื้นดินที่เขาพรวนเอาไว้มันจะมีร่องร่องอยู่เนี่ยนกอินทรีก็อกกระแทกพื้นเกือบตายออืบอกตัวตายไปยตัวแมวไหวก็ตายไปเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเธออย่าไป ท, ที่ที่เที่ยวนอกจากที่ของบิดาตนเองออืมันจะมีอันตรายเหมือนนกแขกเต้าบินสูงไปก็โดนนกอินทรีจับถ้าอยู่ในที่ของเรานกอินทรีทําอะไรเราไม่ได้ อในที่นี้คืออะไรสติปัญสีพระเจ้าพูดถึงสติปัฐญสีเป็นที่อยู่ของเธอพี่อยู่ของจิตเธอถ้าจิตเธอออกจากพวกนี้จะถูกมารดึงไปได้มาเนี่ยคุณตื่นใจมันไม่ได้ช่องทางตามมันก็ออกทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจมันเจ้าทางอะไรทางหนึ่งเพื่อดึงให้เราเนี่ยไปเป็นทาาของมันดึงให้เราตกต่ําดึงให้เราเป็นนรกหึงให้เราไปกําเนิดในฌานดึงให้เราจิตมันวุ่นวี่วุ่นวายคิดอะไรไม่ออกตึงครอบครัวก็ล้มเหลวค่ะนั่นคือมารมันเลยจะไปที่ที่เป็นที่อยู่ของมาร ให้เป็นให้อยู่ในที่ที่เที่ยวของปิดาตนพระเจ้าพูดถึงสติปัฏฐานสี่บิดาเราก็คือพระเจ้าอ่ะนะเพราะฉนั้นในการนี้ถ้าจะสรุปคําถามคุณกะรยาว่าเราจะรักษาจิตยังไงในกรณีที่เจอสิ่งไม่น่าพอใจสิ่งไม่น่าพอใจคุณอย่าไปโกรธคุณอย่าไปเครียดแค้นคุณอย่าไปเบียดเบียนคุณอย่าไปด่าเขาถ้าคุณด่าคุณเครียดแค้นคุณเบียดเบียนคุณโกรธแปลคุณผิดหรือว่าคุณเรียกว่าต้องปฏิบัติเพิ่มเติมนะ แล้วเราจะทำยังไงไม่ให้โกรธเกลียดแค้นเบียดเบี ย, บยนนะไม่พอใจคุณต้องออกจิตไว้นในลมหายใจจิตไว้อยู่ในสติปัฏฐานสี่อย่าให้ออกจากนี้ถ้าพูดลงลรายละเอียดให้มันชัดเจนไปเลยคือลมหายใจอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีเอาจิตกลับมาไว้ที่ลมหายใจตลอดเราจะทําได้ค่อยๆฝึกไปได้แน่นอนค่ะมยมขออนุญาตเบียนถามเผื่อท่านผู้ฟังทางบ้านบางท่านอาจจะเพิ่งฟังรายการเราแล้วก็ไม่ทราบว่าปฏิปัฏฐานสี่ที่พระอาจารย์ไพบุญพูดถึงนั้นเนี่ย หมายถึงอะไรเจ้าค่ะเผื่อว่าเขาจะเท่านฟอนจะได้กระจา่างข<อ>ึ้นเจ้าค่ะเป็นภาษาสติปัฏฐานนี่เป็นภาษาบาลีแล้แปลเป็นภาษาไทยก็คือฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งที่ทําให้จิตเนี่ยเกิดสติขึ้นได้ปัฏฐานนะนะเป็าฐานที่ตั้งให้เกิดสติมีสี่อย่างมีสี่อย่างเราใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้ใช้ความรู้สึกคือเวทนาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้ใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้ ใช้ธรรมะเป็นหฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้เจ้าค่ะก็คือยึดถือสี่อย่างนี้ไว้ก็จะทําให้เรานั้นเป็นคนที่มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วก็จิตก็ไม่ไหลไปในทางตามตามธรรมชาติของเขานใช่ใช่เจ้าค่ะธรรมชาติของจิตอาจจะไหลไปสูงก็ได้เจ้าค่ะขอให้ขอให้ไหลเอไปในทางที่สูงนะเจ้าค่ะอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ได้ฟังคำถามคำตอบนะเจ้าค่ะที่ทางพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนพระอาจารย์ของเรานะเจ้าค่ะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาจิตซึ่งคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก ah, ่ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างยิ่งทีเดียวค่ะในเช้าวันเสาร์นี้ที่21มกราคมนะคะค่ะคิดว่าหลายๆท่านที่ตามรับฟังรายการวันนี้ คงไม่ลืมนะคะที่ว่าจะต้องมารับฟังรายการธรรมรับบรุนของเราในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะเป็นการสักชาหรือว่าสนทนาธรรมะ ก, กับท่านพระอาจารย์ไพบูรลอภิบุญโนซึ่งท่านเมตตาเป็นพระอาจารย์และก็องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับบรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับในเช้าวันเสาร์นี้ก็คงจะต้องอขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการ ขอบพระคุณแล้วก็กราบนมัส ก, การลาพระอาจารย์พิบูลุพิปุโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสทั้งเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เปิดสถานีคือตีห้าเป็นต้นไปค่ะมีธรรมะดีๆที่เป็นมงคลแก่ชีวิตมาเสนอให้รับฟังและก็พูดคุยกันในรายการเราเหมือนเช่นเคยค่ะสําหรับในเช้าวันนี้ยมขออนุ ญ, ญาตกราบน้ำสการขอพระคุณและกราบน้ำสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเสื่อมพานสาธุเจ้าค่ะ